หัวข้อกรรมกุศ ล, ลกรรมอกุศ ล, ลกรรมอพยากตะธรรมเรื่องกรรมหรือที่บาลีว่ากรร ม, มะเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาปรากฏในพระพุทธประวัติว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้ตรัสรู้ยังทรงเป็นโพธิสัตว์อยู่ ได้เสด็จออกสแสวงหาทางที่เป็นเครื่องหลุดพ้นที่เรียกว่าโมคะธรรมเมื่อได้ส่งพบทางปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ได้ส่งปฏิบัติในทางนั้นจนถึงในราตรีที่จะตรัสรู้ในยามที่หนึ่งแห่งราตรีนั้นส่งได้ปุเพนิวาสานุสติญาณญาณ น, นี้คือพระปรีชาอย่างรู้ถึงขันธ์ที่เป็นที่อยู่อาศัยในปางก่อน เรียกสั้นว่าระลึกชาติได้ในยามที่สองทรงได้จุดตูปปาตายานพระปรีชาอย่างรู้ในจุดติและอุบัติของสัตว์หรือสัตตะทั้งหลายคือการตายและการเกิดอีกของสัตว์ทั้งหลายในชาตินั้นๆว่าเป็นไปนตามกรรมกระทำชั่วไว้ก็เข้าถึงชาติที่ชั่วมีทุกข์กระทำความดีไว้ ก็เข้าถึงชาติที่ดีมีสุขในยามที่สามจึงทรงได้อาสวะขยะยานพระปรีชาอย่างรู้วิธีกำจัดอาสวะคือกิเลสหรือความไม่ดีที่นอนจมหมักห ม, มมอยู่ในจิตสันดานสำเร็จเป็นพุทธคือพระผู้ตรัสรู้ ตัมเป็นคำกลางแปลว่าการงานที่บุคคลกระทําทางกายทางวาจาทางใจกรรมแบ่งออกได้เป็นสามคือกุศลกรรมคือกรรมที่เป็นส่วนดีอกุศลกรรมคือกรรมที่เป็นส่วนชั่วอภยากตะกรรมคือกรรมที่ไม่เป็นกุศลหรืออกุศล กรรมทุกอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยชัดเจนว่ากรรมเช่นไรเป็นอกุศลเช่นไรเป็นกุศลเช่นไรเป็นอัพยกตะกรรมกรรมที่เป็นอกุศลหนึ่งทางกายเช่นฆ่าและทรมานสัตว์ลักของเขาโกงประพฤติผิดในทางกามสองทางวาจาพูดปดพูดส่อเสียด นินทา ว, ว่าร้ายคนอื่นพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นต้นสามทางใจโลภเพ่งเลงทรัพย์ของเขาพยาบาทคิดปองร้ายเห็นผิดจะคลองทำกรรมที่เป็นกุศลเว้นจากอากุศ ล, ลกรรมต่างๆปฏิบัติไปในทางสุจริตมีเมตตากรุณามีทานมีศีล อัพยากตกธรรมกรรมที่เป็นอาชีพเช่นกศิกรรมภานิชยกรรมที่เกี่ยวแก่ความรื่นเริงการเดินยืนนั่งนอนกินดื่มถ่ายพูดนิ่งเหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นกุศลหรืออกุศลคนเรานั้นได้ทำกรรมต่างๆซับซ้อนกันอยู่มากมายทั้งในอดีตและชาตินี้ เมื่อเกิดมาในชาตินี้บางทีกระทําดีต่างๆอยู่แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับผลดีทั้งนี้ก็หาใช่ว่ากรรมดีที่ทำไว้นั้นจะไม่ให้ผลแต่ก็เพราะว่ากรรมไม่ดีที่ทำไว้แต่ชาติก่อนให้ผลจึงรับผลที่ไม่ดีกรรมดีที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ก็จะให้ผลในเวลาต่อไป หรือบางคนทำกรรมชั่วในปัจจุบันแต่ก็ปรากฏว่าได้รับผลดีผลดีที่ได้รับนั้นไม่ใช่เป็นผลของกรรมชั่วที่ทำอยู่แต่เป็นผลของกรรมดีที่ได้กระทําไว้ก่อนเมื่อหมดผลของกรรมดีแล้วผลของกรรมชั่วก็จะปรากฏขึ้นเขาก็จะเข้าถึงทุกข์กุศลกรรมที่ประกอบในชาตินี้ ถ้ากรรมเก่าซึ่งเป็นอกุศลกรรมยังส่งผลหรือมีกำลังแรงกว่าก็ต้านทานอากุศลกรรมได้ยากไม่ต้องมองดูให้ไกลออกไปแต่มองดูกุศลอกุศลกรรมในจิตใจในบนัดนี้เช่นบุคคลหนึ่งมีเจตนาแน่วแน่ในการประกอบกุศลกรรมเพื่อประโยชน์สุขสำหรับส่วนรวมขณะเดียวกันก็มีบุคคลอีกคนหนึ่ง หรือหลายคนมีจิตริสยาเสร็แล้วทั้งที่ก็มีจิตอยากจะทำดีเหมือนกันแต่อยากจะทำดีเพื่อให้ดีแต่ผู้เดียวตัวอย่างนี้เห็นได้ว่าความอิจฉาริสยายังมีอำนาจแรงอยู่แสดงว่าอากุศลกรรมฝ่ายความริสยายังมีอำนาจแรงกว่าทั้งทั้งที่วัตถุประสงค์ในด้านกุศลกรรมก็มีอยู่ตรงกัน ไม่ต้องกล่าวถึงบุคคลที่ปราศจากเหตุผลจิตคิดจะทำดีมีแต่อิจฉาริษยาเท่านั้นเป็นผู้ทำลายโลกโดยแท้ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นต้องฝึกฝนตนเองให้มีกุศ ล, ลกรรมให้มากขึ้นเช่นถ้าเป็นคนมักริษยาคนอื่นก็ต้องหัดทำมุทิตาจิต คือตั้งใจหัดใจทำความยินดีในกุศ ล, ลกรรมในความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่เสมอเมื่อกุศลกรรมฝ่ายมุทิตานี้เจริญมากขึ้นอา ก, กุศลกรรมฝ่ายริษยาก็จะลดลงจนหายไปได้จะทำให้เกิดความคิดส่งเสริมทุกคนผู้ประกอบกุศลกรรมเพื่อให้สำเร็จผลเร็วยิ่งขึ้น เราทุกคนมีกรรมดีกรรมชั่วติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติผลของกรรมเหล่านั้นก็ทำให้เราเกิดในครอบครัวต่างๆจนมีดีชั่วฉลาดโง่สวยไม่สวยความพิการทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์จะเป็นผลของกรรมเช่นกันเพราะไม่มีใครเกิดมาอยากพิการหูหนวกตาบอดแขนด้วนง่อยเปลี่ยจิตใจไม่ปกติไม่สมประกอบหรือปัญญาอ่อนเป็นต้น เมื่อเราเข้าใจและเชื่อในท่านผู้รู้คือพระพุทธเจ้าว่าที่เราเป็นอย่างนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างก็เพราะกรรมที่เราได้ทํามาก็ควรพยายามทํากรรมดีเพื่อความสุขความเจริญของเราในภายหน้าผู้ที่ประกอบกรรมดีอย่างหนักและบ่อยๆกรรมดีนี้อาชนะกรรมชั่วที่เบาที่ได้ทําไว้ในอดีต กรรมที่สำคัญที่หนึ่งคือทางใจควรฝึกใจให้มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ให้มีอิจฉาริษยาไม่เบียดเบียนไม่นินทาไม่พยาบาทเป็นต้นการกระทาที่ไม่ดีทางกายและทางวาจาก็จะลดน้อยลงจนหมดมีจิตใจการปฏิบัติสะอาดนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริง